เรื่องกราฟของความสุขใช่ไหมความสุขของคนเรามันก็ขึ้นๆลงๆเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงพอลงปุ๊บเราก็ไปหาอันใหม่กิจกรรมอันใหม่ที่จะมาเติมความสุขให้มันพุ่งขึ้นไปพอมันพุ่งขึ้นไปเนี่ยแน่นอนเลย สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ความสุขมันก็เป็นประเภทเดียวกันพอเราทําอยู่กิจกรรมแบบเดิมได้สักระยะหนึ่งค่าความสุขที่มันจะตอบสนองกับจิตใจเนี่ยกราฟมันก็จะลดลงแน่นอนเพราะว่าใจมันมีคุณสมบัติคือมันเคยชินมันคุ้นชินพอมันเคยชินมันคุ้นชินมันก็ได้รับ ความสุขที่มันดูจืดลงไปกับจิตใจนะจริงๆความสุขมันก็ข้านอกมันก็เท่าเก่าเลยแหละแต่พอเราได้อยู่เรื่อยๆได้อยู่อย่างต่อเ น, นื่องสักพักหนึ่งมันก็จะจืดลงกับความรู้สึก ข, ของใจพอมันเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเรียก ว, ว่าคนที่มีศักยภาพในการหา กิจกามอันใหม่ความสุขลักษณะใหม่ก็หาได้ก็ถือว่าชบดีไปแต่พอหาไม่ได้ก็รู้สึกแบบน้อยๆว่าเ อ, อชีวิตเรามัน อ, อทําไมมันไม่ไม่ดีชีวิตเราทําไมมันดูไม่มีความสุขพอพูดไปอย่างนี้ก็นึกถึงตัวเองสมัยก่อนเหมือนับ ก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องหาอยู่หากินอะไรนะทำงานมีเงินมีเงินก็ใช้ใช้ไปมันก็ตามปกติคนทั่วไปนั่นแหละหาความสุขจากการไปเที่ยวบ้างไปดูหนังบ้างไปกินข้าวบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่จะมันยังไงก็ไม่รู้ลหละคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้สังเกต ค่าความสุขของจิตใจของตัวเองก็อาจจะได้แต่ประเดี๋ยวปดี๋ยวพอได้สังเกตได้เห็นถึงค่าความสุขที่มันมีต่อใจมันขึ้นแล้วมันก็ลงขึ้นแล้วมันก็ลงใช่ไหมแต่พอเราได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆด้วยอย่างไปเที่ยวกับเพื่อนเนะี่ยแน่นอนแหละ ว, ว่าไปเที่ยวด้วยกั น, กนมันก็มีกราฟที่มัน พุ่งขึ้นมาพร้อมกันเลยแต่พอสักพักหนึ่งกราฟของเขามันยังพุ่งต่อเลยแต่แกราฟเรามันตกซะแล้วพอตกแล้วก็รู้สึกแบบเสียงๆนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนมันกราฟความสุขมันมีมากกว่าเราแรกๆก็อาจจะแคแบบ แตพอเจอเข้าบ่อยๆเจอเข้าบ่อยๆ อ, อาการแบบนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับคนอื่นเวารับความสุขของเรามันมันเปลี่ยนแปลงมันตกลงเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตเราทําไมมันดูแบบไม่มีความสุขเท่ากับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะเสมือนว่าชีวิตเรานี่มันมีความทุกข์ใหญ่โตเลยจริงๆแค่ๆว่ามีความสุขที่มันลดลงเร็วกว่าคนอื่นแค่นั้นเอง ตอนนั้นก็รู้สึกไม่พอใจแล้วไม่พอใจที่ให้ความสุขเรานำะไมไม่เท่าคนอื่นเลยคนอื่นดูมีความสุขมากกว่าเราตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออชีวิตเรามันแบบ ه, น่ารังทดเหลือเกินแต่พอมองย้อนกลับไปมันกะ็ตลกตลกดีนะกินอิ่มนอนหลับเนะี่ยมันเอาเรื่องแค่นี้มาเป็นสาระสําคัญให้ชีวิตมันดูแบบ ปดปู่อันนั้นมันคือเป็นในแง่ไม่ดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้ามองให้ดีมันก็คือมันเป็นเป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งดีถ้ามองในแง่ทางโลกอาจจะไม่ดีแต่พอมองมองในแง่ทางธรรมะมันก็กลายเป็นเรื่องดีไปแต่ตอนนั้นถามว่า ตอนที่มันเจอแล้วมันแบบเซ็งเไม่มีทางออกมันก็ไม่ดีหรอกในความรู้สึกเป็นใครก็ไม่อยากเจอความรู้สึกแบบนั้นกลายเป็นคนเบื่อเหมือนแต่ว่ากราฟความสุขต ก, ตกเร็วกว่าคนอื่นใช่ไม่มทำอะไรก็เลย ด, ดูเหมือนว่าจะเบื่อง่ายกับคนอื่นจะพอได้ได้ลองคุยกับตัวเองบ่อย คนเรามันจะแก้ทุกข์มันก็จะไปแก้ไงมันต้องถามใจตัวเองทุกข้ออะไรใช่ไหมล่ะพอเราคุยกับตัวเองบ่อยๆคุยเรื่อยๆมันก็ได้ข้อสรุปเนี่ยแต่ไม่ได้คุยแค่วันเดียวนะก็ถามเรื่อยๆทุกข้ออะไรกันแน่พอคุยกับมันบ่อยๆมันก็มีวันที่มันได้ข้อสรุปลงตัวลงใจจริงๆว่าอะ้จริงๆแล้วเรานี่มันไม่ได้เดือดร้อนนะ ใจสี่เรานี่มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ที่เรามีทุกเนี่ยมันมีทุกทางไหนร่างกายเราปกติดีแต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือจิตใจนี่เองจิตใจเรามันเป็นโรคอยู่โรคเบื่อโรคเบื่อโรคเซ็ง อ, อ, อย่างนี้แล้วก็สิ่งที่กาลังทำทำมาทุกอย่างไปเที่ยวก็ดีไปดูหนังก็ดีไป กินข้าวแบบคนนั้นคนนี่นี่นะมันเป็นแค่เขาเรียกว่ายาบรรเทาเฉยๆแต่ไม่ใช่ยารักษามันเป็นแค่การบรรเทาไปเฉยๆหมายก่าว่ามัอนมีหนี้ใช่ไหมคนมีหนี้อ่ะแล้วก็ไปกู้ไปกู้กู้นี้ก้อนใหม่เอาเงินที่ได้มาโปะนี้ก้อนเก่านี้มันก็เป็นแค่การบรรเทาปัญหาชั่วหน้าชั่วคราวเฉยๆ มันก็ยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเอา๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ป่วยกายนะแต่เราป่วยใจพอเป็นอย่างนี้เพิ่มมันก็เลยตั้งคําถามว่าแล้วอะไรมันเป็นเป็นยารักษาใจทำไมได้คิดว่าอ่ะพูดถึงใจอะไรใครบ้างอะไรบ้างที่พูดถึงกระจิตใจ ก็โชคดีมันขึ้นมานี่ความรู้สึกว่ารู้ได้ชาวสั่นนั่งสมาธิละในศาสนาสั่นนั่งสมาธิมันก็น่าจะเกี่ยวกับจิตใจมั้งเราก็ลองหัดนั่งสมาธิดูก็ทําๆไปทำไปมันก็ไม่ได้ทําแล้วมันก็จะดีหรอกนะแล้วก็มั่วๆไปยิ่งสมัยก่อนเนี่ยค่าสปฏิบัตธรรมก็น้อยเห็นไหมอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะ หาง่ายหาเยอะข้อมูลเยอะแบบนี้สมัยก่อนนี้อินเทอร์เน็ตมันก็มีะละแต่มันเป็นแบบประเภทแบบเป็นโมอเดียมที่ต้องต่อโทรศัพท์บ้านแล้วก็ดังตื๊ดตื้อแก่แก่ะไปอย่างเงี้ย น, นะซึ่งสมัยนั้นข้อมูลในดัตต้าเบสพวกนี้ก็จะน้อยเพราะฉะนั้นก็หายากข้อมูลแต่มันก็ยังพอมีนะสุดท้ายก็มหัดเชื่อมั่นว่าต้องลองดู มันไม่มีทางอื่นที่ที่คิดว่ามันน่าจะใช่นะก็ลองมาทดสอบทำไปสิบวันยี่สิบวันสามสิบวันต้องดีสักวันนึ่งแหละพอวันไหนที่มันทำแล้วใจมันสบายใจมันสงบมันก็ตอบได้เลยว่าคือเวลาที่ใจเราเนี่ยมันไม่หยุดหินไม่ฟุ้งซ่านสงบเยือกเย็นอยู่นี่ก็มันน่าจะเป็นแนวทางที่มันจะรักษาโรคใจเราได้แล้ว เพราะว่าความสงบความสบายความมันสร้างความอะไรความพอดีความอิ่มขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเป็นมาทุกวันทุกวันก็คือใจเรามันหิวอยู่เรื่อยมันไม่อิ่มมันไม่เต็มสักทมีมันเป็นโรคหิวนั่นแหละโรคเบือ่อโรคเซ็งเนี่ยมันก็มีมูล่ายมาจากอะไรมาจากโลภะเนี่ยคือความไม่เต็นไม่อิ่มในอารมณ์สักทีหนึ่งแต่พอร้องเข้าสมาธิ แล้วใจมันสงบสบายสิ่งที่ได้ก็มันมีความอิ่มความเต็มความบริบูรณ์ในจิตใจทางอารมณ์ขึ้นมาอ่ามันก็กลายเป็นว่าหน้สาสณที่นี่แหละมันก็ตอบโจทย์ไปเพราะฉะนั้นก็สคริปมัเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ในในสมัยปัจจุบันไม่ใช่สมัยปัจจุบันหรอกก็ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละ มันก็มีการที่เราจะแสวงหาความสุขใช่ไหมแต่เราก็แสวงหาจากไหนอะแสวงหาจากความสุขตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมแต่มันเป็นความสุขที่ เ, เรียกว่ายัางเร่าร้อนอยู่มันทําให้คนยังบกร่องในอารมณ์อยู่ทําให้มันยังไม่อิ่มไม่เต็มในอารมณ์อยู่แต่พอได้ลองคิดว่าไอ้ความเบือ่อความเซ็งอย่างเนี้ย มันเป็นปัญหาทางด้านจิตใจนะงั้นเราลองมาฝึกหัดจิตใจดูฝึกหัดให้ใจเนี่ยมันมีอารมณ์ตั้งมั่นในภายในไม่ต้องไปพึ่งพิงอารมณ์จากตาหูจมูกลิ้นกายพอทำได้อย่างนี้เพิ่มเนี่ยมันก็อมันก็ตอบโจทย์นึ่แหละว่ามันแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าคนไม่เคยลองเนี่ยก็าอาจจะงงๆแล้วว่าเอ๊ะมันจะใช่เหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นของพันนี้มันต้องต้องลองพอลองมันถึงจะเข้าใจว่ามันแก้แก้ปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยถ้ายังไม่ได้เคยคิดว่ามันเป็นปัญหาทางนั้นจิตใจใช่ป่ะมันก็จะแก้ปัญหาแบบทั่วไปอะ่ะนั้นนั้นเราไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำไปลองครับ อ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกบ้างหรืออ่าลองปลูกต้นไม้บ้างไปลองเล่นกีฬาบ้างอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นความสุขก็อย่างที่ว่ามันเป็นความสุขประเภทที่ถึงเราจะชอบมันนะแต่มันก็เวลาที่เราอยู่กับมันอ่ะมันก็จะกราฟึงขึ้นแล้วมันก็จะตกลงไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นทําไปทําไปแต่มันก็เบื่อหากิจกรรมใหม่ไปเรื่อย มันก็จะหาไม่จบตั้งจีหนึ่งอ่ะมันก็จะกลายเป็นเราเป็นคนจับจดทําอันนี้เก็เลยทำอ น, นั้นเกิดเลยแล้วก็ไปทําอันใหม่แล้วก็เลิกอีกแลก้วไปหาอันใหม่ทาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเราเก่าไม่ถูกที่ขันเนะลยมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องความเบือ่อความซึ้งมันเป็นปัญหาทางด้านจิตใจเนะครับางด้านอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็ ก็รองมาดูแลจิตใจแบบนี้ดูซึ่งเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์เหล่านักปราชต์ต่างๆท่านก็ได้สรุปไว้ให้แล้วว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจการที่เรามีจิตใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สัด ส, สายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดเนี่ยเวลาที่ใจเรามีเครื่องอยู่ที่ดีอย่างเช่น ลมหายใจอย่างเช่นพุทโธเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ใจมันโดนปรับสภาพแล้วมีความอิ่มความเต็มความพอชุ่มเย็นขึ้นมามันน่าจะตอบโจทย์แก้แก้โรคหิวในอารมณ์ได้ก็ลองดูเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคชี้เบื่อเนี่ยก็ก็ลองมาหา ฝึกสติทำสมาธิดูนะทีนี้เวลาที่เร า, าปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราเริ่มรู้จักความสงบแล้วเราเริ่มอ่านมันตอบโจทย์ชีวิตเราแล้วนะก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราทำความสงบให้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะนิ่งนอนใจ อาความสงบที่มีเอาอารมณ์ที่มันตั้งมันเป็นหนึ่งอันเนี้ยเอามาพิจารณาด้วยพิจารณาก็พิจารณาได้ตั้งหลายอย่างพิจารณาเป็นท่าสี่บ้างพิจารณาให้มันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามบ้างพิจารณาให้มันเห็นเป็นอไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา่าบ้างหรืออีกอันหนึ่งที่เราจะมาพิจารณาได้ก็คือเอาความตายมาพิจารณาพระพุทธเจ้า ก, ก็ ได้ตัดถามพระอ น, นุลครั้งหนึ่งไหมว่าอ น, นุลเธอวั น, ว, น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเธอนึกถึงความตายเนี่ยวันลกี่ครั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะตอบว่าสักร้อยได้มั้ยร้อยครั้งพระเจ้าค่ะลูกจ้าก็เลยบอกอ๋อร้อยครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะบอกเลยว่าวันวันหนึ่งอะคิดได้สักครั้งหนึ่งไหม หรือว่าสองครั้งถึงไหมพระอานุนก็ประมาณวันละร้อยครั้งซึ่งมันก็เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนปกติทั่วไปอยู่แล้วว่าอันนี้มันก็เยอะอยู่ร้อยครั้งต่อวันโดยเฉลี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าร้อยครั้งเนี่ยก็ยังถือว่าประมาทอยู่นะส่วนเราเองตถาคตเนี่ยนึกถึงความตายทุกๆลมหายใจเข้าออก เพราะมันไม่รู้ว่ามันจะตายตอนไหนฉพระนั้นเวลาที่เราพิจารณาถึงความตายอยู่บ่อยๆเนี่ยทานทีในครั้งพุทธกาลน่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าเหมือนกันก็มีภิกษุก็ที่พิจารณาถึงความตายอยู่บ่อยๆก็เกิดเกิดถึงความเป็นอารมณ์บที่ได้จากการพิจารณาแล้วมันก็ขึ้นมาในใจใช่ไหม มันก็เห็นเป็นความไม่มีสาระไม่มีเก่นสารเอาคนเรามันเกิดมาต้องตายทั้งนั้นแหละจะตายชาย้าตายเร็วตายทั้งนั้นก็พากันไปค่าตัวตายไปพระเจ้าทรงทราบ ก, ก็ตรักตอนนี้มาออกพวกนี้พิจรารณาแล้วเนี่ยแต่มันไม่ถูกเกิดความสลดสงเวก็จริง เกิดความเห็นถึงความไม่มีสาระเกลียนสารก็จริงแต่สิ่งที่มันเกิดมาเนี่ยให้เรารู้ให้เราเข้าใจแต่เราไม่ได้ไปยึดติดมันให้เราปล่อยวางมันด้วยอันนี้คือสาคัญพิจารณาไปแล้วเนี่ยผลสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นเกิดจิตใจเนี่ยเกิดสังเวชโคคือความสังเวชเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องพัฒนาต่อไปก็คือปล่อยวางด้วย ให้ใจมันเป็นกลางเพราะนั้นจะพิจารณาในเป็นทาสี่เห็นถึงความไม่มีสาระเก่นสารในตัวเราตัวเขาในสัตว์ต่างๆก็ต้องปล่อยวางให้ใจมันมีอารมณ์เป็นกลางกับการพิจารณาให้มันได้ด้วยเราอยู่บ น, นโลกสมมติใช่ไหมโดยปกติแล้วอยู่บ น, นโลกสมมุติแบบนี้แน่นอนเราก็ยึดถือ ยึดติดอยู่ในสมมุติแบบนี้แหละยึดติดว่านี่เป็นเราเป็นเขายึดติดว่านี่ของเราของเขายึดติดว่านี่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นความเห็นผิ ด, ผดที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงที่งแท้นะมันเป็นความจริงของสมมุติโลกใบนี้เท่านั้นเองถ้าบอกว่าจะไม่จริงก็งไม่ถูกแต่มันจริงในระดับของสมมุติโลกใบนี้เพราะอะไร เพราว่าเวลาถึงความตายมาเย็ยนเนี่ยเอาเราเอาเข้าเต่าเผาไปแล้วเนี่ยความเป็นสัตว์ความเป็นคนอะไรเงี้ยมันไม่เหลือให้เราเห็นก็เหลือหเห็นแต่อะไรเห็นแต่กองขี้เท้านั่นแหละแม้แต่กองขี้เท่าเนี่ ย, เ, เ, ยเราเอาไปโปรยอยู่ในแม่น้ําเนี่ยมันก็ฟุ้งกระจายหายไปมันก็ไม่เหลืออะไรให้เราเห็นต่อไปที่เราจะชี้ได้ว่านี่มันเคยเป็นคนมาก่อน อันนี้มันคือคนอันนี้มันคือสัตว์เราก็ไม่เห็นเพราะนั้นมันก็จะให้เห็นถึงว่ามันเป็นจริงในระดับอยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้แหละที่สมมุติโลกเขาเรียกกันว่าช่วงเวลานี้ถือครองอัตภาพของการเป็นคนอยู่ถือครองอัตภาพของการที่จะเป็นหมาเป็นแมวอะไรอยู่พิเ มันไม่ได้คลองอย่างนี้ไปตลอดกับตลอดกันไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าจริงในระดับสมมุติแต่พอจริงในระดับความเป็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็าเห็นเนี่ยว่ามันไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนริงแค่ถาวรพ่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราวางใจไม่ถูกกับการผลของการพิจารณามันก็เป๋เหมือนกับการที่เราพิจารณาถึงความตายนั่นแหละ เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความเบื่อหน่ายเพรเกิดมามันก็ต้องตายแล้วเราจะแบการ่างกายอันนี้ไว้ทําไมอย่างนี้เป็นต้นเห็นถึงความไม่มีเก่ฑ์สารของชีวิตอันนี้เกิดมาตั้งทีมันก็ต้องตายอยู่แล้วจะตายช้าตายเร็วตายแน่นอนมันค่าตัวตายมาเลยในวันนี้อย่ น, นี้มันก็กเกลเนลื้อสอยเอาไปกินให้เราทํา อาณติบาตมันก็ผิดศีลอยู่แล้วจะฆ่าสัตว์จะฆ่าตัวเองให้มันผิดศีลด้วย น, นั้นแหละเพราะฉะนั้นมันมันย้อนแย้งในในมูลฐานความเป็นจริงเราอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมแต่ลรามนทําการฆ่าสัตว์ทัดชีวิตแม้แต่ชีวิตที่เป็นของเราเองก็ตามมันก็เป็นบาปทังนั้นเพราะฉะนั้นนี้มันมันมีความเห็นผิดแน่นอนทีเด็มันก็นําให้เราเกิดความสลดสังเวช แต่เห็นผิดไปด้วยพอเห็นผิดก็ไปอย่างที่ว่าในการพุทธการณก็มีให้เห็นคือพากันแบบว่าอันงั้นก็ฆ่ากันตายซะจะได้จบจบอัตภาพนี้ไปอพอทำปานาฏิบาติปุมันผิดศีล ม, มันก็แน่นอนไปทุกขติก่อนมันไม่ใช่ไปนิพพานอะแต่ไปทุกขติแน่นอน เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการพิจารณาจริงๆแล้วคืออะไรเราเห็นเึ็นความไม่มีแก่นสางก็จริงแต่ในเมื่อเรายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องใช้สมมุติอันนี้ให้มันเกิดประโยชน์อันนี้คือสิ่งจําเป็นที่เราต้องทําเราอยู่บนโลกใบนี้เราอยู่บนโลกสมมติใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักสมมุติของเราเราสมมุติเราเป็นคนอยู่ตอนนี้เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีความเป็นคนความเป็นคนอยู่บนไหน มันอยู่บนพื้นฐานของการที่เรามีศีลห้าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเราก็อยู่ในกรอบของศีลแล้วเรามีหน้าที่อะไรอย่างเช่นเรามีสมมติของการเป็นพ่อแม่คนอยงเงี้ยเราก็ดูแลลูกให้ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีถ้าเราเป็นสมมติอยู่ในฐานะลูกแล้วก็ทําฐานะหน้าที่ของลูกให้ดีมีเป็นต้นนะ พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้จักสมมุติเราใช้สมมุติเป็นแต่คนที่พิจารณกดีแล้วเนี่ยเขาก็ข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่ารู้จักสมมุติเข้าใจสมมติใช่ไหมแล้วก็ใช้สมมุติเป็นใช่ไหมแล้วก็ไม่ยึดติดด้วยไม่ยึดติดเพราะอะไรเพราะเราก็เห็นเนี่ยมันก็แค่ช่วงระยะเวลาการหนึ่งเท่านั้นที่เราจะถือครองสมมุติอันนี้พอ ร, รู้จักใช้แล้วก็ไม่ยึดถือด้วย อราไม่ยึดติดเราก็รู้จักที่จะปล่อยวางได้อันนี้ก็สําคัญนะปล่อยวางด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยสิ่งนี้สําคัญก็คือต้องปล่อยปล่อยแม้กระทั่งอารมณ์จากการที่เราพิจารณาถึงความสุขสังเวชอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเป็นคอยเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ ตามดูตามรู้เฉยๆซึ่งอารมณ์พวกนี้มันขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเหมือนกันขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแล้วมันจะเหลืออะไรก็เหลือคือสติที่ใจเป็นกลางๆคอยดูคอยรู้อยู่อันนี้แหละปฏิบัติทําไปมันก็เหลืออยู่แค่นี้แหละมีสติคอยรักษาใจมีใจที่มันเป็นกลางไม่หวั่นไหวไปทานดีก็ตามไม่ดีก็ตาม ดีก็ไม่หวั่นไหวไม่ดีก็ไม่หวั่นไหวใจเราก็ตั้งเทียงตั้งมัน่นะฉะนั้นก็คอยสำรวจเนี่ยเวลาเราปฏิบัติทำไปอินดิเคเตอร์อันหนึ่งก็คือว่าใจเราเป็นกลางไหเวลามีเรื่องอะไรที่มันมากร ะ, กระทบใจเนี่ยไม่ว่าจะกระทบมาจากภายนอกหรือว่ากระทบมาจากการที่เรามาเข้าสมาธิ พิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็กระทบใจเหมือนกันอย่างเช่นความสลดสมเวศอันหนึ่งที่มันขึ้นมาหรือเราพิจารณาอสุภะเราเห็นเอ่อเหตุถึงความรู้สึกที่มันไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลหรือความรู้สึกที่มันแบบน่ารังเกียจเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราอเียันมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าถูกกระทบถูกต้องจิตใจของเรา สิ่งที่เราทำยังไงก็คือเราก็คอยเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เป็นไม่ส่งไปหามันก็เหมือนความคิดที่มันเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราก็ดึงกลับมาความรู้สึกตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ดึงกลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จางหายไปนั่นแหละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจางหายไป แต่สิ่งที่มันได้เาเรียกว่าเราได้ความรู้ความมั่นใจเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราความรู้ความมั่นใจในความเป็นจริงมันจะตราตรึงอยู่ในจิตใจของเราว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นความจริงไม่เคยรู้สึกเป็นความจริงในด้านนี้มาก่อนตอนนี้เรารู้แล้วแต่แน่นอนความรู้สึกมันก็จะจิตใจออกไปนั่นแหละแต่สิ่งที่มัน หลงเหลืออยู่คือความมั่นใจในความรู้ของเราเราะนั้นปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยวิจารณาอะไรก็ตามนะเกิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็ตามก็ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ใจเป็นกลางอยู่ได้อันนี้ถือว่าถูกต้องนะแต่ถ้าเกิด ก็รลดสังเวชเหลือเกินแล้วก็อินไปกับมันอนะว่ากนั่นถึงอินไปกับสิ่งที่เราพิจารณาอันนี้ถือว่ายังไม่ดีเพราะเพราะอะไรเพราะมันมีตัวเราอยู่ในนั้นเราซึ้งไปกับมันเป็นความจริงของเราเราทราบซึ้งไปกับมันมันมีความเป็นเราอยู่ในนั้นไงเพราะนั้นมันก็ยังยังดีไม่จริงเพราะนั้นเราว่าถอดถอดความเป็นตัวเราออกมา เอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่สติเฉพาะหน้าเราเลยเพราะที่สติเฉพาะหน้ามันเป็นสถานที่ที่อารมณ์ในใจมันมันไม่ท่วมทับสติของเราไปมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีอารมณ์มาท่วมทับมันได้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปก็ คอยเฝ้าดูเฝ้ารู้ที่สติเฉพาะหน้านี้อารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปฝ่ายดีเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปใจเราจะได้เป็นกลางตั้งมัน่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ได้เพราะนั้นการที่เรามีอารมณ์ใจที่มันสงบดีแล้วตั้งมันเป็นหนึ่งแล้วเนี่ย ดั้นก็อย่าละเลยที่เอามาพิจารณาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นถึงความไม่เที่ยงหเหตุหรือความไม่เที่ยงซึ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกสิ่งล้วนดับไปเป็นธรรมดาหรือเราจะพิจารณาให้มันเห็นเป็นธาตุก็ได้คนดาวเนี่ยเวลามันแตกสลายไปมนะันก็เหลือแค่ธาตุินน้ำไฟลมเท่านั้นเลย หรือเราจะพิจารณาให้มันเห็นถึงความไม่สวยไม่งามนะคนเรามันรักกันยังไงเรารักคนนั้นมากคนนี้มากรักกันเพราะอะไรเพราะความสวยความงามใช่ไหมมันสวยความงามจริงหรือเปล่าโลกใบนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าความสวยควา ม, ามงามงามจริงแท้ไหมในความรู้สึกของเราะะพิจารณาไปเพราะอะไรเพราะพระพวิชธาก็บอกแล้วว่าอย่างร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งปฏิกูล เป็นรังของโลกอันนี้คือความจริงของกายอันนี้แล้วทาไมเราเห็นถึงเป็นของน่ารักใคร่ยินดีพอใจแล้วก็ลองลองเอามาคบคิดดูให้ใจมันได้พิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้า ว, ว่าความจริงว่าเป็นอย่างนี้อทําไมเรายังมีความเห็นที่มันยังไม่คล้อยตามไปทําไมเราที่ว่าเขาสวยหนูสวยยังไงที่เข า, าดูงามมันงามยังไง ถอดตัวเป็นชิ้นๆดูมันยังงามอยู่เหมือนเก่าไหมมันลดลงไหมแต่มันเพิ่มเติมไหมหรือว่ามันเห็นกลับความรู้สึกไปเลยว่าอ่ามันไม่สวยแล้วมันไม่นามแล้วก็ค่อยๆไล่เหรียงค่อยๆสอนมันไปแล้วก็สลับกันกับการเข้าสมาธินั่นแหละเข้าสมาธิบ้างพิจารณาบ้างเข้าสมาธิบ้างพิจารณาบ้างสลับกันไป